สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บ้านครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวเพเยซูตอนที่ห้าร้อยสี่สิบห้าเพเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่ห้าสิบครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้จบไปในเรื่องของชีวิตของคริสเตียนเรานะครับก็คือต้องวิ่งแข่งมาราทอนคือเป็นการวิ่งระยะไกลครับเมื่อเราวิ่งระยะไกลนะครับเราคงต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ คีบรูบทที่สิบข้อที่หนึ่งพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะต่อในข้อที่หนึ่งและข้อที่สองต่อไปนะครับเรามาดูความหมายของคําว่าการผิดที่เรามักง่ายกระทํานั้นการผิดที่เรามักง่ายกระทํานั้นหมายความว่าสิ่งผิดๆที่เรายังทําอยู่โดยความมักง่ายของเราโดยการรู้เท่าไม่ถึงการหรือโดยนิสัยต่างๆที่ไม่ดีของเรานะครับหมายถึงอะไรคืออะไรนะครับ การผิดที่เรามักง่ายกับทํานั้นก็คือความบาปที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลาครับนักวิ่งมาราทอนที่หยุดวิ่งเพื่อที่จะจะไปแวะไปดื่มเบียร์ไปสูบบุรีหรือสนุกกับการเพลิดเพลินในรูปแบบต่างๆในโลกนี้นะครับความบาปเหล่านั้นเนี่ยจะขัดขวางไม่ให้เขาวิ่งแข่งจนสําเร็จแท้จริงแล้วความบาปโดยทั่วไปนะครับก็ทําให้นักวิ่งหลายคนเลิกวิ่งกลางคันเพราะมันบ่อนทําลายนะครับ ชีวิตของนักวิ่งมันเป็นผลกระทบที่บ่อนทําลายนะครับและมันนํามาซึ่งความอับอายขายหน้ามันทาให้ความบาปต่างๆเหล่าเนี้ยนะครับทําให้คนบางคนต้องเลิกวิ่งกลางคันความบาปนั้นคือการกระทําผิดกฎการแข่งขันที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ครับเพราะฉะนั้นความบาปเหล่านั้นก็จะทําให้นักวิ่งคนนั้นถูกตัดสิทธิ์จากการได้รดับรางวัลที่เส้นชัย พี่งครัพระจ้าจของพระเจ้าก็พูดต่อไปนะครับว่าเหตุฉะนั้นยังมีผลนะครับยังมีผลต่อว่ารีฉุดท้ายซึ่งหมายความว่าการวิ่งแข่งที่กําหนดไว้นั้นเราจะต้องวิ่งโดยความเพียรพยายามเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายเพื่อให้มีผลนะครับเกิดผลขึ้นพี่น้องครับคนในสมัยโบราณรวมทั้งพวกเราด้วยไม่ต่างกันเลยครับเพราะว่าเรานั้นถูกทดลองอย่างหนักให้เลือกวิ่ง นะครับถูกทดลองอย่างหนักให้เลิกวิ่งถามว่าถูกทดลองจากใครครับถูกทดลองจากศัตรูของเราครับมารซาตานให้เราเลิกวิ่งในการแข่งขันชิฟเฟอริสเตียนนี้การแข่งขันนี้ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องยากเท่านั้นนะครับเราต้องสํานึกและตระหนักว่ามีการต่อต้านจากเหล่าศัตรูฝ่ายวิญญาณของเราเสมอนะไม่เพียงแต่ตรงนั้นนะครับและก็การขัดเกลา ปรับแต่งชีวิตของเราด้วยการตีสอนจากพระเจ้าของเราก็อาจเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมีสองอย่างเกิดขึ้นก็คือการทดสอบนะครับการทดลองการทดสอบก็คือพระเจ้าต้องการให้เราสอบผ่านนะครับการทดสอบนั้นอาจจะเป็นความทุกข์ยากลําบากเกิดขึ้นหรือจะเป็นการปรับเปลี่ยนปรับปรุงปรับแต่งชีวิตของเราด้วยการตีสอนที่มาจากพระเจ้านะครับอันนั้นก็เป็นด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือการต่อต้านจากเราศัตรูฝ่ายวิญญาณก็คือการทดลองครับหรือการล่อลวงนั่นเองเพราะฉะนั้นการล่อลวงนะครับก็ทําให้เราตกหลุมหรือเป็นหรือตกเป็นกับดักนะครับหรือบ่วงแล้วที่ทําให้เราไปไม่ถึงเส้นชัยพียงครับผู้เขียนพระธรรมฮีบรูนั้นได้ให้กําลังใจเราบอกว่าจงวิ่งแข่งนะครับให้เราสู้ต่อไปจงวิ่งแข่งด้วยความเพียร ความเพียรพยายามมีความหมายว่าความทรหดอดทนครับความเพียรพยายามมีความหมายว่าความทรห็ดอดทนนะครับแท้จริงชีวิตเสียนบางครั้งเป็นเรื่องยากใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามครับเราถูกกำชับให้ภาคเพียรทรห็ดอดทนไม่ยอมแพ้และก้าวสอบไปนะครับถ้าพูดในภาษาชาวบ้านว่าเราต้องกัดไม่ปล่อยครับชีวิตของใคร นะครับที่กัดไม่ปล่อยหมายความว่าพวกเขานะครับอยู่ใกล้กับพระเจ้ายึดมั่นในหลักการอุดมการหลักคําสอนที่ถูกต้องแม้ว่าการดําเนินชีวิตอาจจะไม่ราบรื่นอาจจะพบกับการทดลองหรือแม้กระทั่งการทดสอบจากพระเจ้าก็ตามนะครับเขาจะกัดไม่ปล่อยด้วยความภาคเพียรอุตสาหะทรหนอดทนเขาจึงจะไปถึงเส้นชัยได้ในข้อที่สอนะครับทําให้เรารู้ถึงเป้าหมายนะครับ เป้าหมายของเราคือพระเยซูครับพระเยซูนั้นได้ทำอะไรบ้างพระเยซูไม่เพียงแต่เป็นผู้ริเริ่มความเชื่อนะครับและพระองค์ก็ยังทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์หรือไปถึงเป้าหมายพี่น้องครับนี่คือภา ร, รกิจของพระเยซูมิชชั่นของพระเยซูนะครับพระเยซูให้เราให้เรามีความเชื่อในเวลาเดียวกันครับพระเยซูก็ทำให้ความเชื่อของเราสำเร็จเพราะฉะนั้นจึงเป็นความชื่นชมินดีนะครับ พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นเราต้องมีความหวังนะครับและเราขึ้นเชินดีในความหวังที่เรามีอยู่เราดูพระเยซูคริสต์ครับเพื่อนพี่บอกว่าพระองค์ได้ทรงทนต่อการเขนทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิ่งสําคัญอะไรและได้เสด็จประทับณนะเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าแล้วพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าพระเยซูเสด็จมาโลกนี้เพื่อจะสิ้นพระชนเพื่อเราแทนเรานะครับทรงทน ความทุกข์ยากลำบากมันไม่ยงเขนและพปร่งทรงถือว่าความละอายความละอายเกิดจากอะไรครับพี่น้องครับคนที่ถูกแขวนบนต้นไม้ถูกแก่งสาบคนที่ถูกแขวนอยู่บนไม้ยังเค้นเป็นคนที่ถูกประนามถูกด่านะครับแต่พระเยซูนั้นเอาชนะความละอายเอาชนะความกลัวนะครับในที่สุดพระเยซูเป็นขึ้นอยูความตายแล้วอีกสี่สิบวันต่อมาพระเยซูเสด็จ ขึ้นบนสวรรค์พระทับณเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าพ่อบิดาพี่น้องครับพระเยซูริเริ่มความเชื่อพระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มความเชื่อและพระองค์ทำให้ความเชื่อของเราสําเร็จอาเมนนะครับพี่น้องอาเมนนะครับพระเยซูเป็นผู้ริเริ่มความเชื่อและทําให้ความเชื่อของเราไปถึงความสําเร็จและพระองค์ได้ทรงวิ่งเข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องคําว่าริเริ่มนั้นก็คือแปลว่าแหล่งที่มาหรือผู้ให้กําเนิดความเชื่อ นะครับพระเยซูเป็นแหล่งที่มาแห่งความเชื่อพระเยซูเป็นผู้ให้กําเนิดความเชื่อทําให้ความเชื่อของเรานะครับไปถึงเป้าหมายครบสมบูรณ์ครบบริบูรณ์พี่น้องครับทําให้สําเร็จองค์พระวิญญาณเจ้าของเราพระเยซูนั้นทรงเป็นแหล่งที่มาทั้งแหล่งที่มาและเป็นทั้งความครบถ้วนสมบูรณ์แห่งความเชื่อของเราเป็นผู้ที่ทําให้สําเร็จครับพระเยซูองค์พระวิญญาณเจ้าของเรา ทรงวิ่งแข่งสําเร็จเรียบร้อยแล้วและพระองค์ทรงร้องที่กางเขนว่าสําเร็จแล้วเพี่งลองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการประยุกต์ใช้ความจริงในเช้าวันนี้ก็คือนะครับให้เราทั้งหลายที่กําลังวิ่งแข่งวิ่งมาราธอนอยู่นั้นจับจ้องใครครับจับจ้องสายตาของเราไปที่พระเยซูคริสต์นะครับไปที่เส้นชัยและที่เส้นชัยนั้นเราจะเห็นพระเยซูกําลังคอยเราอยู่ครับนะครับ พระเยซูกำลังคอยพวกเราทุกคนและไม่เพียงแต่พระเยซูกำลังคอยนะครับพระเยซูยังมีสาวกขอ ง, รงพระองค์บรรพชนแห่งความเชื่อทั้งหลายที่กล่าวในพระธรรมฮีบรูที่สิบเอ็ดก็ยืนคอยเราอยู่ด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับนี่เป็นภาพที่สวยงามมากครับเป็นภาพแห่งความหวังเป็นภาพแห่งความยินดีที่เส้นใยเมื่อพระเยซูได้ทรงทน นะครับพวกเราก็ต้องเพียรพยายามอดทนด้วยความอุตสาหะวิริยะด้วยความทรห็ดนะครับเพื่อที่เราจะไปถึงเส้นชัยได้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับว่าการดําเนินชีวิตคริสเตียนนั้นไม่ง่ายแต่เมื่อเราพึ่งพระเจ้าและเราเพียรพยายามในส่วนของเราพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทําให้สําเร็จหลายๆครั้งทีเดียวเราพลาดเคล็ดลับที่สําคัญก็คือเราไม่ได้มองพระเยซู เราไม่ได้หมายตาที่พระเยซูนะครับเราไม่รู้ว่าอะไรรอเราอยู่ข้างหน้านะครับแต่เมื่อเราวันนี้เรารู้แล้วครับว่าพระเยซูกําลังคอยเราอยู่ข้างหน้าพี่น้องมีกําลังใจในการวิ่งไหมครับมีกําลังใจในการวิ่งต่อไปไหมครับมีกําลังใจในการฝ่าฟันอุปสรรคฝ่าฟันความทุกข์ยากลําบากด้วยความเพียรพยายามทรหยอดทนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรากําลังจะไปถึงเส่นชัย อีกไม่ช้าไม่นานนะครับความชื่นชมยินดีเมื่อคนเข้าเส้นชัยนะครับต้องไปถามพวกนักวิ่งมาราทอนเขาจะรู้แล้วเขาจะบอกได้ว่ามันเป็นความชื่นชมยินดีมันมีนความปิติสุขขนาดไหนนะครับเพียงครับอยากจะหนุนใจซึ่งกันและกันนะครับว่าถ้าเราหมายตาที่เปเยซูเรามองที่เส้นชัยแล้วเราเห็นพระเยซูกําลังคอยเราอยู่พร้อมกับบรรดาธรรมิกชนทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยที่วิ่งไปเรียบร้อยแล้ว นะครับเรามองตรงนั้นเราจะเกิดความทระห็ดเราจะเกิดกำลังใจเราจะเกิดแรงจูงใจมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นในการเดินพี่น้องครับในการวิ่งในการเดินในการวิ่งนะครับและเราเข้าสู่เส้นชัยนะครับมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันพี่น้องครับขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายนะครับในการที่เราจะมีความรู้สึกแบบนี้เราที่มองพระเยซูครับ เราจะต้องมองพระเยซูจับจ้องอยู่จดจ้องและโฟกัสอยู่ที่พระเยซูชีวิตของเราก็จะไปถึงเส้นชัยอย่างแน่นอนอาเมน